พระไตรปิฎกเล่มที่สิบเจดพระสุตตันตปิฎกเล่มที่เก้าสังยุตตนิกายคันธวารวักราธะสังยุตต์หมวดที่หนึ่งมาราสูตรว่าด้วยมารเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวทีครั้งนั้นท่านพระราธาเข้าเฝ้ากราบทูลถามดังนี้ว่าที่พระองค์ตรัสว่ามารโดยเหตุเพียงเท่าไหร่ พระองค์จึงตรัสว่ามานตรัสตอบว่าเมื่อมีรูปจึงมีมานมีผู้ทำให้ตายหรือมีผู้ตายเพราะฉะนั้นเธอจงเห็นรูปว่าเป็นมานเป็นผู้ทำให้ตายเป็นผู้ตายเป็นโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นของลาบากเป็นเหตุเกิดแห่งของลาบาก บุคคลเหล่าใดเห็นรูปนั้นอย่างนี้บุคคลเหล่านั้นชื่อว่ายอมเห็นชอบและโดยในยาเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันกับเรื่องของรูปท่านพระราธะกราบทูลถามและทรงตอบโดยลำดับดังนี้ก็ความเห็นชอบมีประโยชน์อย่างไร ตอบว่าความเห็นชอบมีประโยชน์ทำให้เบื่อหน่ายก็ความเบื่อหน่ายมีประโยชน์อย่างไรความเบื่อหน่ายมีประโยชน์ทำให้คลายกำหนัดความคลายกำหนัดมีประโยชน์ทำให้หลุดพน้นความหลุดพ้นมีประโยชน์ทำให้นิพพานทูลถามว่าก็นิพพานเล่ามีประโยชน์อย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะ ราธะเธอถามมากเกินไปแล้วเธอไม่อาจกำหนดขอบเขตของปัญหาได้เพราะกุลบุตรย่อมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ที่อย่างลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายมีนิพพานเป็นที่สุดสัตตสูตรว่าด้วยสัตว์ ท่านพระราธะกราบทูลถามว่าที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระองค์จึงตรัสว่าสัตว์ทรงตอบว่าราธะบุคคลผู้คล้องติดอยู่ในความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าสัตว์ ราธพวกเด็กชายหรือเด็กหญิงเล่นเรือนฝุ่นอยู่เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจความรักความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนความทยานอยากในเรือนฝุ่นเหล่านั้นอยู่เพียงใดพวกเขาก็อาลัยอยากเล่นหวงแหนยึดถือเรือนฝุ่นทั้งหลายอยู่เพียงนั้นแต่เมื่อใด พวกเด็กชายหรือเด็กหญิงเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดความพอใจความรักความกระหายความเร่าร้อนความทยานอยากในเรือนฝุ่นเหล่านั้นเมื่อ น, นั้นพวกเขาย่อมรือ้อยื้อแย่งทำลายทำเรือนฝุ่นเหล่านั้นให้เล่นไม่ได้ด้วยมือและเท้าแม้ฉันใดแม้เธอทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันจงรือ้อแยกกระจายออก ทำรูปให้ยินดีไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัญหาข้อนี้คือการพิจารณารูปว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาจนรู้ชัดตามความเป็นจริงและโดยในยะเดียวกันเธอทั้งหลายจงรื้อแยกกระจายออกทำเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณให้ยินดีไม่ได้ ปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัณหาราธะก็ความสิ้นตัณหาจัดเป็นนิพพาน์พาะวาเนติสูตรว่าด้วยกิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพท่านพระราธะทูลถามว่าที่พระองค์ตรัสว่า กิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพเป็นอย่างไรความดับกิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพเป็นอย่างไรทรงตอบว่าความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทะยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณ นี้เรากล่าวว่ากิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพเพราะดับกิเลสเหล่านั้นจึงจัดเป็นความดับกิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพปรินเยยะสูตรว่าด้วยธรรมะที่ควรกําหนดรู้พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมที่ควรกําหนดรู้ ความกำหนดรู้และบุคคลผู้ควรกำหนดรู้ให้แก่ท่านพระราธะดังนี้ว่าธรรมะที่ควรกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือรูปเป็นธรรมะที่ควรกำหนดรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมะที่ควรกำหนดรู้ความกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะบุคคลผู้กำหนดรู้เป็นอย่างไรคือคนกล่าวได้ว่าบุคคลผู้กาหนดรู้นั้นคือพระอรหันต์ได้แก่ท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้กาหนดรู้สมณสูตรว่าด้วยสมณนะ พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้กับท่านพระราทาว่าอุปาทานขันห้าประการนี้คือรูปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญยูปาทานขันสังขารูปาทานขันและวิญญาณูปาทานขันก็สมณพรามณ์เหล่าใดเหล่านึงไม่รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ ตามความเป็นจริงสมณพราหมเหล่านั้นก็ไม่ได้รับยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือเป็นพรามในหมู่พรามอันหนึง่งท่านเหล่านั้นจะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ส่วนสมณพราหมเหล่าใด รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน โสตาปันนสูตรว่าด้วยพระโสดาบันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชาเพราะเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงเราเรียกว่าอริยาสาวกผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าราธะเพราะเหตุที่ภิกษุรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมัน่นนี้เราเรียกว่าเป็นภิกษุรอรหันต์ขีณาศพอยู่จบรมจาร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ลงภาระได้แล้วบรรลุ ป, ประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสั่งยน์แล้วหลุดพ้นประรู้โดยชอบฉันทราคาสูตรว่าด้วยความพอใจและความกำหนัดราธาเธอจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากในรูป เมื่อเป็นเช่นนี้รูปนั้นจะเป็นอันเธอละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคลเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคลไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้และโดยในยะเดียวกันเธอจงละความพอใจความกำหนัดในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณราธา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 เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ทุติยวัคหมวดที่สองมารสูตรว่าด้วยมารท่านพระราธะทูลถามว่าที่พระองค์ตรัสว่ามารมารเป็นอย่างไรทรงตอบว่าราธะ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 รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบรมจรรย์ทํากิจที่กวนทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปกราบทูลถามว่าธรรมะของมารเป็นอย่างไรทรงตอบว่ารูปเป็นธรรมะของมารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมะของมาร อริยส า, าวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นกราบทูลถามว่าที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอย่างไรทรงตอบว่าราธะรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอริยส า, าวก ผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายคลายกำนัดจิตย่อมหลุดพน้นคาแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรทรงตอบว่าราธะรูมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา อริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นโดยในยะเดียวกันทุกเป็นอย่างไรทรงตอบว่ารูปเป็นทุก์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกสิ่งที่มีทุกขเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรคือรูปมีทุกขเป็นธรรมดา เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีทุกเป็นธรรมดาที่พระองค์ตรัสว่าอนัตตาอนัตตาเป็นอย่างไรทรงตอบว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาและโดยนัยยะเดียวกันสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดา สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้น รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบรมจรรย์ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอาญาจนะวักหมดว่าด้วยการอาราธนามาราที่สุดตักเอกาทัศสกะว่าด้วยพระสูตรสิบเอ็ดสูตรมีมาราสูตรเป็นต้น เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธะเข้าเฝ้ากราบทูลขอโปรดแสดงธรรมโดยย่อเพื่อได้ฟังแล้วจะหลีกออกไปอยู่ปฏิบัติแต่เพียงผู้เดียวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราธะสิ่งใดเป็นมารเธอพึงละชนทะราคาฉชนทราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าเป็นมารคือรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นมานสิ่งใดเป็นมานเธอพึงละฉันทาราคาฉันทาราคาในสิ่งนั้นและโดยนัยยะเดียวกันสิ่งใดเป็นธรรมะของมานในที่นี้หมายถึงมรณธรรมซึ่งเป็นสภาวะแห่งความพินาศย่อยยับสิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งใดมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งใดมีทุกข์เป็นธรรมดาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งใดมีอนัตตาเป็นธรรมดาสิ่งใดมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ่งใดมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นได้แก่รูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นจบราทะสังยุต